รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉันปรามพระโพชนาได้ในสมัยที่ทำจีวรแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสีขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้